สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะ รายการนี้สรรนณีสนธนาดำเนินรายการโดยดิฉันสัรนณีนาคพง์ค่ะขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านเข้าสู่การรับฟังทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนที่จะเริ่มชีวิตประจำวันเรามาสัมผัสกับธรรมะโดยพระพุทธองค์กันนะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นพุทธวจนะจากพระโอษร์รายการนี้ช่วงปีใหม่2553นี้ ให้ธนูฟังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับเราด้วยโดยการที่ท่านมาร์คชาคาวโรหรือว่าพระมาร์คชาควโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะจะนําพระสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาฝากกับธนูฟังพร้อมกับนําปฏิบัติไปพร้อมๆกันเมื่อวันก่อนนี้ท่านได้อ่านให้ฟังกันไปในเรื่องของเขาเรียกว่าไกายา กายานุปัสนาวิปัสนากายานุปัสนากายานุปาานัสนาเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของเวทนานะคะวันนี้ก็นมัส ก, การค่ะจจะเป็นเ ร, เรื่องของอะไรคะอ่าวันนี้จะเป็นเรื่องของจิตตานุปัสนาของสติปัฏฐานสีค่ะเรียกว่าค่อยๆไปกันทีละน้อยอแต่ว่าไปแบบมาตรฐานค่ะใช่นิมนต์ค่ ะ, จะเจริญพร อ, อ, อ่วันนี้เราจะมาปฏิบัติกันต่อในยการนั่งสมาธิแล้วก็จะอ่านพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานสติ แล้วก็ว่านำไปสู่การเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดจิตตานุปัสสนาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มได้เลยภิกสุทั้งหลายอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าภิกสุทั้งหลายภิกสุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า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 ซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทํากายยัสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทํากายยัสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก ทำความรู้พร <Where i S 2> <you> ้อมเฉพาะซึ่งจิตตัดสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัดสังขารหายใจออกทำจิตตัดสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำจิตตัดสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้า ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าการที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่และทำจิตให้ปล่อยอยู่นั้น เป็นการตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติ อันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดว่าการ ที่เรามีสติไม่ลืมหลง ม, มีสัมปชัญญะเรียกได้ว่าเราเป็นผู้เจริญอาณาปานาสติและเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแล้วซึ่งเป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ในหมวดจิตตานุปัสสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้สำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่วเวลาแล้วก็รู้ว่า การมาเจริญอาณาปานสตินั้นก็ทำให้สติปัฏฐาทั้ง4ี่บริบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ลมหายใจก็เป็นสิ่งที่เราควรกระทาให้มากส่วนวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายรีบทได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาปฏิบัติกันใหม่อีกครั้งหนึ่ ง, งการรู้สกการค่ะเจริโต้นั้นคือพระมารคชาควโร วันาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธ์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อไปซึ่งพระสูตรที่ท่านได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์นี้ก็ว่าด้วยอาณาปานาสติเป็นหัวข้อใหญ่แล้วลงไปในรายละเอียดเป็นเรื่องของการเจริญจิตานุปัสสนาสำหรับวันนี้นะคะส่วนวันที่ถัดมาก็มีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาซึ่งถือว่าเป็น3มองค์ประกอบจาก4ที่เป็น สติปฐานหัวข้อใหญ่คือสติปฐานสกายเวทนาจิตธรรมพรุ่งนี้คงจะเป็นเรื่องของธรรมแล้วมัคะนะคะก็ติดตามรับฟังกันไปมีคุณค่ามากที่สุดนะคะที่ท่านได้ปฏิบัติจากคําสอนที่ถูกต้องตรงที่สุดคือจากพุทธวจนะที่เราเรียกกันว่าเป็นพระสูตรนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นพุทธวจนะจากพระโอษ์ด้วยท่านที่ต้องการคำภีที่ฉันใช้คํานี้แล้วกันคือพระสูตรที่รวมกันเอาไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับอาณาปานสติ ตอนนี้เรามีแจกให้กับท่านผู้ฟังใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ขออนุญาตที่จะแจกให้ท่านเดียวก่อนต่อนหนึ่งวันที่หมายเลขโทรศัพท์02 269 0006ค่ะตอนนี้เราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบ ก, กับการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุลโนค่ะ